คารวะท่านผู้พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และก็ท่านนายกเทศมนตรีทเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่เคารพและก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังผู้มีเกียรติที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการฟังธรรมะมาร่วมฟัง รายการบรรยายในวันนี้พวกเเองก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมทำความดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาทำหน้าที่พูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเพื่อการนำพาชีวิต ให้มีความสุขแล้วก็มีคุณค่ากับตนเองแล้วก็สังคมนั่งตามสบายนะ <laughs> อย่าเกรงอย่าเครียดอย่าทำหน้าเครียดต้องเกรงใจผู้พูดบ้างผู้พูดนั่งยิ้มผู้ฟัางานั่งเครียดสิ่งที่จะมาพูดคุยในวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องเบาๆง่ายๆแม้ว่าหัวข้อเรื่อง การสร้างพลังจิตให้ชีวิตมีคุณค่าดูดูแล้วมันจะหนักๆแต่สิ่งที่จะพูดเนี่ยผู้ที่ฟังง่ายๆเบาๆผู้ตามประสบการณ์ไม่ได้จาใครมาพูดตามประสบการณ์ซึ่งมีในตัวผมและทุกทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้และก็นำเอาไปใช้ได้เรื่องที่ฟังแล้วนำเอาไปใช้แก้ปัญหาชีวิต แล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นลองฟังดูว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านฝังมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนทุกวันเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตแหละไม่ต้องถามก็จะตอบให้ได้ว่าเราต้องการความสุขเราไม่ต้องการความทุกทุกวันเนี่ยคนโดยทั่วไปเนี่ยเป็นโรคอยู่โรคหนึ่ง คือโรคหิวความสุขมีใครอิ่มความสุขไหมเป็นโรคหิวความสุขถ้าเราบอกว่าเราอิ่มความสุขแล้วเราไม่หิวความสุขแล้วดูให้แน่ ๆ, ๆสิถ้าเราอิ่มเนี่ยเราจะสแสวงหาไหมถ้ายังสแสวงหาความสุขอยู่เรายังไม่อิ่มเราเป็นโรคหิวความสุขตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย เราก็จะมุ่งหน้าหาความสุขใส่ตัวเองก่อนกินก็ให้เป็นสุขเที่ยวก็ให้เป็นสุขการทำงานก็เพื่อความสุขแม้กระทั่งตอนถ่ายถ้าถ่ายคล่องแล้วก็มีความสุขถ้ามันท้องผูกแล้วก็มันไม่ค่อยมีความสุขนะแม้กระทั่งนอนก็ต้องนอนเพื่อจะหาความสุขก่อนจะนอนอธิษฐานว่าขอให้หลับฝันดีเลยนะฝันไม่ดีไม่เอานะ หับฝันดีแล้วก็แม้ทั้งตอนจะตายแล้วขอให้ตายให้มีความสุขเกิดใหม่ไปเกิดในสุขติตลอดชีวิตนี้ทั้งโลกนี้โลกหน้าเพื่อความสุขอย่างเดียวแล้วว่าเราเป็นโลกขิวความสุขเราจะมีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างไรในท่ามกลางปัญหาที่ลุ่มเลาแบบนี้จะว่าไปแล้วเนี่ย คนที่มีความสุขเนี่ยคือคนฉลาดนะคนฉลาดเท่านั้นจึงหาความสุขได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยอย่าแม้เข้าใจจุดหนึ่งว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้นั้นเราต้องรักตัวเราเองก่อนไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักตัวเราทัวนี้เรารักตัว เ, เองหรือเปล่าคนฉลาดคือคนที่รักตัวเราถ้ารักตัวเราเนี่ย จะไม่ใช่กายของเราเนี่ยไปเบียดเบียนใครหรอกใช่ไหมเพราะว่าตัวเราก็เป็นที่รักตัวเขาาก็เป็นที่รักเราจะเบียดเบียนกันทำไมการเบียดเบียนกันเท่ากับเป็นการไม่ได้รักตัวเราเองเพราะความรักเกิดขึ้นที่ไหนที่ใจใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราเราคิดเบียดเบียนเขาไอ้ความเบียดเบียนก็คือการเบียดเบียนใจเราน่เอง ถ้ารักร่างกายของเราเราก็ไม่เอาร่างกายเนี่ยไปสูบบุหรี่ให้ควันมันลมปอดถ้ารักร่างกายเราเราก็ไม่เอาร่างกายเราต้องไปดื่มสุราเพื่อแอลกอฮอล์มาทำให้เกิดโรคตับแข็งถ้ารักตัวเราเราก็จะไม่อดนอนเห็นไหแค่ส่วนร่างกายคนเนี้ยเรารักเลือดยาและส่วนจิตใจถ้าเรารักจิตใจเรา เราจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรอกเพราะความโลภอยากได้แต่ละครั้งเนี่ยจิตใจเรามีความสุขไหมโอ้มันดิลล์ลนทะเยอท ะ, ะยานนะมันไม่ปกติแล้ว <c oughs> ไม่ปกติแล้วเห็นไหมแค่ความอยากได้นะอยากได้รถรุ่นใหม่สักคันหนึ่งใจเราเป็นอย่างไรอยากถูกราตรีรางวัลที่หนึ่งวันนี้ที่สามสิบเลยนะใครรักใจเราบ้างเกิดความอยาก พอเกิดความอยากถูกรอตเอรี่มันนอนไม่ค่อยหลับหรอกโอ้มันคุ้นคิดนะมันคุ้นคิดมากเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องรีบไปที่แหล่งงานการไม่ไปทำวันนั้นสงบเงียบมากซุกซิบๆพอหวยออกแล้วเงียบกิบเลยพูดไม่ออก <c oughs> น, น, นะนั่นคือรักใจเราเหรอใจเราบุ่นวายเนี่ยสับสนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคลุมดีคลุมลายจอมุียออยกันแน่ ถ้ารักตัวเรารักใจเราเราก็จะไม่โกรธนะความโกรธทาให้เรามีความสุขหมือมีความทุกข์ความโกรธทําให้ใจิตใจนี่ร้อนลนเป็นนรกเป็นนรกอยู่ในเมืองมนุษย์มันร้อนถ้าเราแคตัวเราร้อนให้ใจเราร้อนเนี่ยแสดงว่าเราไม่รักตัวแล้วนะพอใจร้อนแล้วร่างกายก็ความดันขึ้นหัวใจเต้นแรงเนี่ยน้ําตาลขึ้นมันเริ่มจากความโกรธ แต่นอนไม่หลับนะโกรธอาฆาตพยาบาตคุณเคืองใจถ้ารักตัวเราเราไม่ปล่อยจิตใจเราหลงเลื่อนลอยกายนั่งอยู่นี่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้เลื่อนลอยใช่ไถ้ารักตัวนี่ใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวใจลอยไปไหนไม่รู้เนี่ยสี่โมงต้องไปรับลูกรักหลานตอนนี้ยังไม่ถึงรักตัวเราต้องรักจิตใจเรา ใจจะอยู่กับเนื้กับตัวคนฉลาดเขาต้องรักตัวเราถ้ารักตัวเราเมื่อไหร่เราก็จะมีความสุขก็ขอให้คําแนะนำวิธีหาความสุขแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องสแสวงหาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเป็นสุขแบบไม่ต้องสแสวงดีไหมสุขแบบไม่ต้องสแสวงไม่ต้องลงทุนไม่ต้องตีตัวไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้น เกิดขึ้นทันทีที่เนื้อที่ตัวเราวิธีแรกเริ่มจากจิตใจเราก่อนเริ่มจากวิธีคิดของเราถ้าเราคิดถูกต้องเนี่ยเรามีความสุขทันทีเลยวิธีคิดคิดมองชีวิตให้มันมีความหวังไม่ถึงคิดดีๆมองโลกและชีวิตในแง่ดีสะบ้าง ถ้าเรามองโลกและชีวิตในแง่ดีเนี่ยจิตใจเราก็ดีพอใจดีแล้วมันมีกําลังใจคําพูดออกมาก็ดีการกระทำก็ดีเมื่อคําพูดดีการกระทำดีชีวิตมันก็ดี <c oughs> แค่คิดชีวิตมันก็ดีแล้วคนที่มองโลกในแง่ร้ายหน้าตาจะไม่มีความสุขโลกไปให่เจ็บเยอะไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ยากเบื่อตรงนน้นเซ็งตรงนี้ มองพระจันทร์ข้างขึ้นก็เป็นพระจันทร์มีหนวดอะไรมันไม่ดูงามรู้จักคิดให้มีความหวังตัวเองคิดมองเห็นสิ่งหลายเป็นสิ่งที่ดีๆซะบ้างมองคนในแง่ดีซะบ้างอย่ามองคนในแง่แล้าอย่างเดียวเมื่อความดีเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะที่จิตใจก่อนมันจุดประกายที่ใจเราในวิธีคิดนะวิธีต่อไป ข้อที่2องคือรู้จักมองโลกและชีวิตในแง่ของความเป็นจริงข้อที่หนึ่งเนี่ยใช้วิธีคิดมองโลกและชีวิตให้มันมีความหวังอันนี้ทาให้เรามีกาลังใจในการใช้ชีวิตนะเป็นการสร้างพลังจิตเลยนะสร้างพลังจิตเนี่ยแต่ยังไม่เพียงพอมองโลกในแง่ดียังไม่เพียงพอต้องมองโลกในแง่ของความเป็นจริง โลกและชีวิตแน่ใงความเป็นจริงอันนี้ฉลาดขึอีกระดับหนึ่งจะมีการสร้างพลังจิตที่เข้มแข็งขึ้นหมอเราได้แง่ของความเป็นจริงมองอย่างไรคือมองสรรพสิทธทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่ไม่แน่นอนมีอะไรที่แน่นอนบ้างคำว่าแน่นอนเนี่ยไม่มีคำว่าถาวรไม่มีแต่ว่าคำว่าไม่แน่นี่แหละมันมี ใช่ไมไม่แน่นอนสังเกต ด, ดูนะสิ่งที่มากระทบทางตาเนี่ยเอาหน้าคนที่เรารักนึกถึงคนที่เรารักคนที่นอนข้างๆเราก็ได้เรารักเขาเนี่ยเราชอบรูปร่างชอบใบหน้าก็ใช่มอยากเห็นหน้าทุกวันไม่เห็นหน้าเห็นผ้าก็ยังดีนะผ้าที่ตากไว้ก็ยังดีอยากเห็นทุกวันใช่หมเมื่อก่อนนี้ ตอนนี้อยากเห็ยนไหมเบื่อนะฮะเธอทุกวันเมื่อก่อนอยากเขีนทุกวันเดี๋ยวนี้เบื่อทุกวันเห็นไหมแต่ว่าสิ่งที่มากระทบตาที่สวยงามแค่ไหนก็ตามเนี่ยดูเธอมันไม่แน่เลยมันก็เบื่อแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงนะมองโลดง่ายๆว่ามันไม่แน่ไม่แน่นอนแล้วมันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วมันก็หายไปสิ่งที่เราคิดว่าสวยว่างามเนี่ย มันเกิดขึ้นชั่วงขณะหนึ่งและมันก็หายไปใช่ไหมมันไม่แน่และมันก็ไม่มีจริง <c oughs> ถ้ามองย่างง่นี้แล้วก็เราจะไม่ยึดติดในสิ่งที่สวยงามแต่ดูได้เข้าไปเกี่ยวข้องได้เกี่ยวข้องแล้วก็ปล่อยวางซะโดยหน้าที่สิ่งแรกใช่ไหมเอาสิ่งที่สองอต่อบไปอีกหน่อยหนึ่งเสียงคําสารเสวนเยีนยอเราชอบมากเลย ชอบคําสรรเสริญยนยอใช่แต่เรากลับชอบนินทาเขาชอบไปเขายอเราสรรเสริญเราแต่เรากลับชอบนินทาเขาไม่ตัง้งใจจะว่าใครนะ <c oughs> บางทีมันอาจจะผ่านจากความสูง ข, ของเราไปกระทบคนอื่นต้องขออภัย <c oughs> เราชอบคําสรรเสริญยนยอถ้าสมมุติว่าอยากจะเรียกว่าคําที่เราชอบที่สุดเนี่ยมันแน่นอนไหมแล้วมันมีจริงไหม ใครมาชมว่าเราสวยทุกวันสวยทุกวันถ้าใครมาบอกว่าเราเนี่ยเจอหน้าอะไรก็เธอนี่สวยทุกวันเธอนี่สวยเธอนี่สวยเขาบอกทุกวันเนี่ยรู้สึกสบายใจไหมมันเอียนนะมันเบื่อนนะมันชักปิดปกติแล้วมันสวยจริงไหมแต่ว่าไอ้คำที่เราชอบว่า อยากให้มีคัจจมเราสวยทุกวันดีทุกวันเนี่ยถ้าเขาพูดทุกวันเราก็เบื่อทุกวันเหมือนกันใช่ไหมมันแน่ไหมเสียงที่มา ก, <c oughs> กระทบหูอะกระั้งเสียงเพลงเราชอบเพงบเ ล, เพ ง, นลเพงนี้ชอบมากเลยเพลงนี้ละเพลงนี้ชอบมากเลยฟังมาเถอะหนึ่งวัน <c oughs> ฟังเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเบื่อแล้วเปิดแต่ทีเมื่อไหร่จะจบสักทีมันไม่แน่นอน และมันก็ไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงนะพอมันจบแล้ว ก, ก็เลิกถ้าม่เปิดใหม่มันก็มีมีริงนะอันเนี้ยสัจธรรมนะเอาอีกสักอย่างหนึ่งกลิ่นที่มากระทบจมูกว่าเราชอบมากเลยกลิ่นเนี้ยกลิ่นลาเวนเดอร์เนี้ยชอบมากเลยชอบมากเลยแน่ไหมเอาตัวเราเข้าไปในห้องปิดประตูห้องเปิดกลิ่นลาเวนเดอร์ตลอดทั้งวันนั่งลงก็ไปกค่ โอ้เวียนหัวนะแล้วมึนเหลือเกินตลาดกระหอมเหลือเกินตะไบมึนเหลือเกินไม่แน่นะกลิ่นน้าหอมก็ไม่แน่มันมีขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็หายไปยาไปยึดมั่นถือมั่นมั น, มนดมดมได้แต่ดมแล้วยัไม่ต้องติดอกติดใจและเดี๋ยวมันก็เบื่อเดี๋ยวต้องหากลิ่นใหม่ในโลกนี้หากลิ่นไม่จบไม่สิ้นกระทั่งลิ้นที่กระทบอาหารที่ว่าอร่อย ความอร่อยนี่มันแน่ไหมพัสตอรชอบมากเลยกินเดะทุกวันผัฟสตอรีจะรู้ว่าโอเบื่อแล้วเกินสตอรมันไม่แน่เหมือนกันนะบางทีเราว่าเครื่องดื่มเนี่ยดื่มน้ําหวานดื่มไปทั้งวันเลยมันก็เวียนหัวเราต้องหันมาดื่มน้ําเปล่าๆน้ําเปล่านี่เราดื่มได้บ่อย น้ำเปล่าคือความเป็นกลางความเป็นกลางเหมือนอย่างเครื่องหมายตาชูของสารยุติธรรมนะเที่ททท ย, ยงแท้คือความเป็นกลางชีวิตชอบความเป็นกลางคือชีวิตที่เป็นปกติถ้าไปทางบวกเกินไปเนี่ยหัวเราะทั้งวันรู้สึกอย่างไรมันเหนื่อยทั้งวันนะหัวเราะทั้งวันนี่มีสิทธิเข้าโรงพยาบาลนะไปหาจิตแพทย์นะ มันบัวกเกินไปหรือเสียใจทั้งวันร้องไห้ทั้งวันมันก็มีสิทธิ์ฆ่าตัวตายได้จิตที่เป็นปกติไปจิตที่มีความสุขทำงานได้ดีมากนะนี่คือความไม่แน่นอนแม้ทั้งจิตใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันเหมือนลิงนะมันวัยมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเช้าสายบ่ายเย็นเปลี่ยนบางทีเราก็เกิดความรักเดี๋ยวเราก็โกรธ มันลักได้ไปนานเด๋ยวก็โกรธไปเดี๋ยวก็อิจฉาเสยาแล้วเดี๋ยวก็เบื่อแล้วเดี๋ยวกลัวอีกลแล้วเดี๋ยวกังวลแล้วใจมันเนี่ยดิ้นหลนเพราะนั้นใจคนนี่มันไม่แน่อย่าฝากความหวังของเราไว้กับใจของใครรับรองจะต้องผิดหวังเพราะใจมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนเหมือนกังหันต้องลมอ่ะไม่รู้กี่ขนต่อวันหมุนอยู่ <laughs> มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะเพราะสัตว์สิ่งทั้งหลายเนี่ย ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจร้วนแต่ไม่แน่นอนทางนั้นและมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเราเป็นคนที่ชอบบีบชอบนวดเวลาใครมานวดเราสบายใจนวดเวลาทั้งวันทั้งคืน <c oughs> มันระบมนะว่าเพราะฉะนั้นไอ้ความสบายทางร่างกายเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ตามที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพรอเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญา โดยการที่ทำหน้าที่กับสิ่งนั้นไม่ได้ทิ้งไม่ได้ปฏิเสธแต่รับเอาไว้โดยหน้าที่แล้วก็รู้จักปล่อยวางนะไม่อย่างกับเราใช้ช้อนเนี่ยช้อนซ่อมช้อนซ่อมที่เป็นทองเนี่ยเราตักแกงขึ้นมาซดช้อนที่เป็นทองเนี่ยเราต้องวางไหมถ้าไม่วางไปไหนก็ถือช้อนทองนะเข้าออกน้ำก็ช้อนทองนะไปทำงานก็ช้อนทองมีช้อนทองติดตัวเนี่ย เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเท่ากับไปแบกมันไว้เราใช้แล้วก็วางมันซะเราใช้โดยหน้าที่แล้วก็ปล่อยวางมันให้เราเข้าใจนะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยมันไม่แน่และมันก็ไม่มีมันชั่วคราวชั่วคราวเราเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยึดติดใจแล้วก็จะเบาถ้าวางก็เบาถ้าเอาก็หนักหรือเอาให้หนักหนัก มันก็จะทุกข์หนักๆ น, นะเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจข้อที่สองใส่ามข้อทสองเนี่ยเราจะมีความสุขในชีวิตเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีชีวิตไหนที่ไม่มีปัญหาหรอกเราแบกโรกแบกปัญหาไว้คนลำบุมด้านไม่ปัญหาตัวเองก็ปัญหาคนรอบข้างปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาการเมืองสารพัดอย่าง ถ้าเราเข้าใจถึงสิ่งที่ไม่แน่แล้วก็ไม่มีเนี่ยเราจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญานะเราไม่ได้แก้ด้วยอารมณ์ถ้าแก้ไขด้วยอารมณ์เนี่ยเอาปัญหาของจิตที่เป็นปัญหาไปแก้ปัญหามันก็จะเหลือปัญหาถ้าแก้ด้วยสติปัญญานี่มันหมดปัญหาไอ้ข้อหนึ่ง<ม>ข้อที่สามความสุขข้อที่สามเนี่ยแค่ข้อยสอนนี่พลงังจิตมันเยอะแล้วเข้าใจตรงนี้นะแต่ว่า ถ้าพูดถึงข้อที่สองเนี่ยเราจะพูดแล้วฟังให้เราเชื่อเนี่ยยังไม่จริงเราต้องลองสัมผัส ด, ดูต้องลองสัมผัส ด, ดูลองใช้สติดูสิอาศัายมีสติคอยสังเกตอารมณ์ที่ใจเราอาันนี้เป็นการปฏิบรรัติทำเป็นการเจริญสติเลยเอาสติมาดูที่ใจเราว่าวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่สามอย่างในใจเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจ ดิมันก็เฉยๆดูเถอะสามอย่างเนี่ยเอามีสติสังเกต ด, ดูบางทีเราก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจบางทีก็เฉยๆใช่ไหมสามอย่างไม่เกินถ้าเราฝึกสติเฝ้าดูใจตรงนี้ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมเลยเป็นการดูจิตด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ต้องเข้าวัดเลยนะอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทาได้ แม้กระทั่งอยู่ในห้องน้ําก็ทําได้อาศัยสติรู้ว่าปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรสะเกต ด, ดูใจเราเป็นยังไงเดี๋ยวมันพอใจมันแน่ไหมความพอใจสักพักหนึ่งมันหายไปแล้วเกิดเป็นความไม่พอใจก็ได้อาศัยสติเฝ้าดูเป็นการพิสูจน์ในสิ่งที่เขาว่ามันไม่แน่และมันไม่มีอยู่จริงอันนี้เป็นการปฏิบัติทำข้อที่สาม อันนี้เราจะแสวงหาความสุขสร้างพลังจิตให้ชีวิตได้ด้วยการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและก็ดีงามถูกต้องคือสุจริตไม่ผิดกฎหมายนี่คือถูกต้องและก็ดีงามเขาไมาดีงามคือไม่ผิดศีลธรรมบางทีถูกต้องแต่ผิดศีลธรรมนะ <c oughs> เราไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมกฎหมายไม่ผิดแต่ถ้าผิดศีลธรรมอย่างเช่นว่าเราค้าสิ่งมีชีวิตไม่มีกฎหมายเลี้ยงปลาไม่มีกฎหมายหรอกเลีเ้ยงไก่ไม่มีกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมนะเลี้ยงเพื่ออะไรให้เขาไปฆ่า <c oughs> อันนี้เรื่องจริง <c oughs> หรือค้ามนุษย์ค้ามนุษย์คราบเรื่อนี่ผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรมด้วยค้าอาวุธค้าอาวุธเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะขออนุญาตค้ายาพิษค้ายาพิษจะผิดกฎหมายนะอย่างเช่นว่ายาฆ่ า, มาแมลงแต่ผิดศีลธรรมเพราะมีไว้เพื่อจะทาลายล้างทาลายสัตว์นั้นถ้าเราดาเนินชีวิตแบบว่าถูกต้องและก็ดีงามเนี่ยเราเริ่มมีกำลังใจมีความสุขนะ ยังไม่พอถ้าเราเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันโดยเฉพาะทําประโยชน์กับส่วนรวมอันเนี้ยทำให้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและก็มีความสุขถ้าเราทําประโยชน์ให้ใครได้เนี่ยเรามีความสุขไหมมันมีความสุขนะเราช่วยเหลือใครได้เนี่ยเราก็มีกําลังใจมีความสุขเป็นความสุขแบบไม่ต้องสแสวงหาเลยนะเราทากับหน้าที่ทุกวันเนี่ยอย่างว่าบางท่านเนี่ยทาหน้าที่ ทำที่ที่นี่ก็ได้สว่าทำงานอยู่ที่เทศบาลเนี่ยงานที่ทำอยู่ในเทศบาลถ้าเป็นงานสุจริตอันนี้ถือว่าเป็นงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรมทำงานในเทศบาลนะเมื่อว่ากวาดขยะกวาดขยะนี่ยล่ะกวาดขยะเก็บขยะเนี่ละกวาดพื้นเก็บขยะเนี่ละปงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรมแม้ว่างานจะดักงานจะหนัก ค่าตอบแทนจะน้อยตำแหน่งจะเล็กก็ไม่สําคัญนะไม่สําคัญงานจะหนักตำแหน่งจะเล็กเนี่ยค่าตอบแทนจะน้อยอย่างเงี้ยให้เราภูมิใจแต่ว่าอันเนี้ยเป็นงานธรรมโยกส่วนรวมถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไปนเนี่ยเราจะเริ่มมีกําลังใจเราจะเริ่มมีความสุขถ้าคิดมองงานในแง่นี้นะเป็นงานที่ช่วยส่วนรวมเป็นงานสุดสิทไม่ผิดศีลธรรม เราก็มีกําลังใจที่จะทำงานถ้าเรามองว่าโอ้เงินเดือนก็น้อยเกียรติยศก็ไม่มีงานก็หนักถ้าเราคิดมองในแง่รายเนี่ยรับรองเราไม่อยากทางานเราเบื่องานเดี๋ยวก็เปลี่ยนงานและเปลี่ยนงานไม่จบไม่สินะ้ะเพราะาเราเบื่ออยู่เรื่อยไหมเรามอลในแง่ดีเป็นงานทําำยอดสุลรวมแล้วก็เป็นงานบุญทีเดียวนะซึ่งคนเนี่ยทำไม่ได้ทุกคนหรอกนอกจากความสามารถของเราแก่นี้ เราก็ได้กำลังใจและใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้ผมเองเนี่แต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีร่างกายพิการตอนนั้นตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนทั่งเรียนหนังสือจบจนถึงอายุยี่สิบสี่ทำงานนะเรียนจบก็ทำงานรับราชการเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยพักษาอายุ24สี่สอนได้แค่สามปีตั้งกระจําความได้ จนถึงก่อนจะประสบบัติเหตุเนี่ยผมดูตัวเองแล้วเนี่ยเป็นคนนี่ไม่มีค่าเลยนะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับใครเลยแม้ว่าเป็นครูบาอาจารย์แต่จิตไม่ได้เป็นครัวอาจารย์เราทำงานเพื่อได้เงินได้ตาแหน่งได้เงินเพื่อไปซื้อหาความสุขได้ตาแหน่งเอาไว้โอ้อวดมองตัวเองนี่ไม่มีคุณค่าเลยไม่ภาคภูมิใจจนกระทั่งโชคดีประสบบัติเหตุ พราะผมโชคดีนะโชคดีไงเดี๋ยวฟังต่อไปต้องพิการเนี้ยไปตนตลอดชีวิตและคิดตื่ยวชีวิตเนี้ยมันไม่มีความสุขหรอกก็มีความคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่ลําบากมากเราเป็นคนที่ไร้ค่าอยู่แล้วเพราะว่าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันดูมันไร้ค่าชีวิตต้องนอนอยู่บนเตียงนอนรอความตาย นอนอยู่บนเตียงรอความตา ย, ยมันทรมานจิตทรมานใจมากความทุกข์ทางกายเนี่ยมันซึมลึกไปน้านจิตใจยากที่จะทำใจให้ยอมรับได้มันก็คิดไปทางที่เป็นโลกเสมอเลยชีวิตเราก็เลยไม่ดีนะเศร้าหมองยิ้มไม่ออกอาศัยความอดทนอดทนไว้ก่อนเมื่อทําอะไรไม่ได้ต้องอดทนไว้ก่อนถ้าเราทําอะไรไม่ได้อดทนไว้ก่อนคําว่าอดทนเนี่ยเป็นคำคำหนึงที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ความอดทนเนี่ยเป็นบรารมีธรรมเห็นหมขันติบรารมีอดทนไว้ก่อนขณะอดทนเนี่ยเท่ากับเป็นการได้ปฏิบัติธรรมนต่อทุกขเวทนาทางกายที่มันบีบคั้นทนกว่าความทุกขทางใจที่มันบีบคั้นใจเราที่มันไม่ได้อย่างใจเราต้องอดทนทุกอย่างเลยเนะทนอยู่สักระยะหนึ่งสักปีหนึ่งตอนนี้พี่การมาสามสิบปีแล้ว ทนอยู่ปีหนึง่งมันก็เลยมีวิธีคิดแบบใหม่มันเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะมันทนอยู่นานมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ได้ถ้าเราคิดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยชีวิตเราไม่ดีขึ้นเราเปลี่ยนความคิดใหม่เหมือนคนที่ขับรถแล้วติดลมติดลมยิ่งเร่งยิ่งจมนะมันต้องหยุดถอยหลังไปทางใหม่ชีวิตจะเปลี่ยนใหม่นั้นต้องคิดใหม่มีคนแนะนําให้ไปเปลี่ยนชื่อให้ผมเปลี่ยนชื่อ บอผมไม่เปลี่ยนนะชื่อเนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งมาดีแล้วท่านจัดไม่ดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วเราจะคิดเหมือนเดิมการกระทําเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์อะไรเปลี่ยนชื่อสู้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ได้เพราะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราก็มีการกระทํำแบบใหม่ที่มันสร้างสารรค์ได้บอกไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะ เปลี่ยนชื่ว่าใหม่แล้วทำเหมือนเดิมเราก็ยังเก่าเหมือนเดิมแล้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่โอ้นี้เราจะนอนเป็นทุกข์อยู่ทำไ ม, มเนาะสู้เรามาหาวิธีการแก้ปัญหาชีวิตออกจากความทุกข์ดีกว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตเรามีคุณค่าทั้งตัวเองและผู้อื่นมันก็ยังคิดไม่ออกแต่พอต่อไปมันเริ่มคิดได้แล้วเนอถ้าใจชีวิตมีคุณค่าเนี่ยมันต้องช่วยตัวเองก่อน ช่วยตัวเองให้มากกว่าการรอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเริ่มต้นจากคุณแม่เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลผมกับคุณพ่อสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณแม่ช่วยเหลือตัวเราเอาข้าวให้เรากินเอาน้ำให้เรากินเอายายให้เรากินแต่งตัวเรียบร้อยเรากินเสร็จแล้วเราก็นอนหลับสบายตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้คุณแม่ยังกวาดพื้นเก็บเื้อผ้าเราไม่เสร็จเลย เราหลับไปตื่นแล้วคุณแม่งทํางานอยู่รอบตัวเราคิดสงสารท่านจะช่วยท่านได้อย่างไรเราจะช่วยท่านย้อนกลับลตัวเราออเราช่วยตัวเองมากๆสิเราช่วยตัวเองมากๆเท่ากับเราแบ่งเบาภาระท่านนะเริ่มคิดช่วยตัวเองนะพอช่วยตัวเองได้เนี่ยโอ้มันมีคุณค่ามากเลยมันมีคุณค่ามาแต่ก่อนทานข้าเองไม่ได้ ต้องให้เขาป้อนแต่พอเราทานเองได้เออนเขาไม่ต้องป้อนเรากินแล้วอร่อยด้วยมีความสุขด้วยเนี่ยเขียนหนังสือไม่ได้เราฝึกเขียนนิ้วมือที่กระดิกไม่ได้มันจะเขียนหนังสือได้อย่างไรถ้าเราจะลองเขียนละ่ะขอลองสักหน่อยขอลองสักหน่อยลองเขียนเขียนชื่อเขียนกอไก่ตัวเดียวนะ โอ้ใช้เวลาเกือบสองนาทีแต่เราก็เขียนเสร็จเขียนสะกดชื่อตัวเองเป็นกำพลโอ้ภูมิใจมากเลยเขียนชื่อกำพลได้ลายมืออย่างก็เด็กอนุบาลเราพอใจแล้วเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้แม้ว่าคนอื่นมองแล้วมันธรรมดาแต่เรามันไม่ธรรมดาเราสามารถทำาในที่เราคิดว่าทาไม่ได้แต่ลองทำดู ออุปสรรคต่างๆเนี่ยมาท้าทายความสามารถดูสิมันจะทำได้ไหมถ้าเราไม่ลองมันไม่รู้นะไอ้ถึงว่าเราไม่ได้ไม่เอาไม่ดีลองทำดูเสิดถ้าทำได้เนี่ยมันจะมีพลังใจมีกาลังใจมันเป็นการสร้างฐานกาลังจิตจะทำในสิ่งที่มันยากขึ้นต่อไปได้เนี่ยตรง น, นี้สำคัญนะแค่เริ่มต้นก้าวแรกมันจะต้องมีก้าที่สที่าม ท่าเก้าแรกไม่เก้าแล้วก็หมดท่าเลยเห็น ไ, ไหมพาร์ติสิกก็บอกว่าอะไรเก้าและล้มไปข้างหน้าดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่เห็น ไ, ไหมก้าไปมันได้ลม้มเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์ในการลม้มต่อไปมันจะไม่ล้มนะเนี่ยสาคัญนะมันต้องกล้าต้องลองท้าทายอุปสรรคดูซิมันจะได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะไม่ได้เสมอตัวแต่ได้ประสบการณ์แต่ถ้าได้ เราจะได้กำลังใจได้พลังจิตก็ฝึกช่วยตัวเองจงทั้งหันมาสนใจกับธรรมะสนใจกับธรรมะเป็นทางออกของชีวิตธรรมะแค่เพียงอ่านแค่เพียงฟังได้แค่การรู้ธ ร, รมแต่ยังไม่มีธ ร, รมได้แค่รู้จำรู้จักเอาไว้พูดคุยกันได้แต่ยังไม่รู้แจ้งรู้จริง จนกว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติรู้จำรู้จักเดี๋ยวมันก็ลืมถ้ารู้แจ้งรู้จริงแล้วก็มันวระทับอยู่ใน ใ, นใจรู้จำรู้จักเป็นความสามารถของสมองยังดับทุกข์ไม่ได้ถ้ารู้แจ้งรู้จริงเป็นการเอาจิตวิญญาณเข้าไปสัมผัสจนเห็นแจ้งอันนี้ดับทุกข์ได้และก็มีความสุขได้จะลงมือการปฏิบัติธรรมแค่รู้ไม่พอต้องปฏิบัติ ก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสติมาดูตัวเราดูกายดูใจเราดูกายดูใจเราบ่อยๆเข้าก็เลยเข้าใจเรื่องของกายเข้าใจเรื่องของจิตตัวเองฉลาดเรื่องของกายฉลาดเรื่องของจิตฉลาดเข้าใจวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาใจตัวเรามันเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะการปฏิบัติธรรมาดูเนื้อดูตัวเรานี่แหละ เลยไม่ต้องเป็นทุกข์ในสภาพที่ร่างกายที่พิการเพราะเข้าใจแล้วใจมันยอมรับได้ด้วยความเข้าใจอยู่ในร่างกายที่พิการโดยใจที่ไม่เป็นทุกข์สบายเลยแก้ปัญหาตัวเองได้มันก็มีคุณค่าเลยโอ้ชีวิตเรานี่ยเรามีความทุกข์มากเนาะแต่มาแก้ปัญหาตัวเองได้ใจมันก็มีความสุขแล้วในขั้การเนี่ยเมื่อเรายิ้มได้คุณพ่อคุณแม่ ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเรายิ้มได้เห็นไหมเราเพียงคนเดียวทําให้บรรยากาศรอบข้าเนี่ยดีขึ้นโอ้เราได้ช่วยเขาเนาะแทนที่เขาจะมาทุกข์กับเรากังวลกับเราแต่เขาสบายใจเพราะเรายิ้มมาได้ไหมเราช่วยตัวเราก็ช่วยตัวเขาด้วยมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึง่งแล้วต่อมาก็เลยมาแบ่งปันกันอย่างนี้แหละเนี่ยความสุขจะมีได้ต้องรู้จักแบ่งปันกนะัน ก็เลยมาทำหน้าที่มาทำหน้าที่เนี่ยเรียกเป็นอุปกรณ์ของมาทำมาพูดคุยมาให้กาลังใจผมมาทำหน้าที่แบบไม่ได้หวังผลอะไรไม่ต้องการอะไรทำหน้าที่แบบไม่หวังผลมันทำให้เรามีความสุขอันนี้เป็นเคล็ดลับนะถ้าอยากมีความสุขในการทำงานทำงานไปเถอะแต่อย่าไปคาดหวังอะไร ถ้าเราไปคาดหวังเนี่ยว่าจะได้อะไรจากการทำงานในครั้งนี้ได้สิ่งตอบแทนคำสรรเสริญเ ย, ยนยอถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ยอเราก็ผิดหวังนะเพราะเราคาดหวังเอาไว้เรางคนบอกว่าไม่ได้เราทำงานเราต้องหวังถ้าเรากล้าที่จะหวังอย่าลืมคาว่าผิดหวังไว้ด้วยหวังได้ที่เราบอกว่า มันไม่ยุติธรรมเราต้องหวังเราอาจจะหวังมากเกินไปเห็นไหมเรามักจะหวังมากเกินไปและไม่ได้ ใ, ใจหวังเราก็จะเป็นทุกข์กันเองเพราะนั้นเคล็ดลับคือเราต้องสร้างเหตุสร้างเหตุของงานให้ถูกต้องและก็มากเพียงพอแล้วผลนั้นเราไม่ต้องหวังมันก็ได้ใช่ไหมเนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยจะทำหน้าที่อย่างมีความสุข สร้างเหตุและก็ไม่ต้องคาดหวังมันเกิดพลังใจทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านะเราช่วยตัวเองได้ช่วยอื่นได้เรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นความสุขสามอย่างอย่าลืมเราต้องเป็นคนที่รักตัวเราเองรู้จักวิธีคิดมองชีวิตให้มีความหวังนี่มีความสุขใจแล้วก็รู้จักมองโลกและชีวิตในแง่งความเป็นจริง คือไม่แน่แล้วก็ไม่มีอันนี้ได้ปัญญาโดยวิธีคิดแล้วก็ต่อไปคือเราก็ต้องทำประโยชน์ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและก็ดีงามแล้วก็รู้จักแบ่งปันเป็นผู้ให้ให้กับส่วนรวมเราจะกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีคุณค่าทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะถือตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้น คุณค่าและความหมายของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุภายนอกนะไม่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่เกี่ยวกับยศถาบรรดาตักตำแหน่งต่า ง, างๆไม่เกี่ยวคําสรรเสริญเยนยออันนั้นมันเป็นคุณค่าเทียมแต่คุณค่าแท้นั้นก็คือเราสามารถใช้ชีวิตเราเนี่ยให้มีประโยชน์กับตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและก็เป็นประโยชน์กับผูอื่นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน เราใช้กายเราจิตใจเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนและคนอื่น อ, อันนี้เป็นคุณค่าแท้ถ้าเราเอาตัวเองเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองได้ดับทุกข์เอาตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้แต่ว่าเราเกิดมาไม่เสียเปล่าคุณพ่อคุณแม่ให้ชีวิตกายและใจมาเอามาทำตรงนี้ มันทำประโยชน์ให้กับตนเองแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็ช่วยอื่นได้แล้วก็เราคุ้มค่ากับการเกิดมาในขั้นนี้ถ้าเราทำได้เราจะมีความสุขและก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตนั้นทุกท่านเนี่ยดูเธอเนี่ยผมเนี่ยสภาพร่างกายที่มีส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมันน้อยเต็มทีแต่ผมก็ได้ใช้ส่วนที่เหลือน้อยเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นทาแล้วด้วยความสบายใจ ท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีอวัยวะต่างๆเนี่ยมีมากกว่าผมท่านยังมีมากกว่าผมถ้าท่านตั้งใจทําหน้าที่และก็การใช้ชีวิตอย่างอดทนแล้วก็ขยันมีสติไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก่อนท่านจะทําได้ดีกว่าผมอีกก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจงมีกําลังจิตกําลังใจดําเนินชีวิตด้วยสติปัญญา นำพาชีวิตให้ถูกต้องและดีงามด้วยการทำประโยชน์กับตนเองและก็ผู้อื่นให้สมบูรณ์ด้วยการทุกท่านทุกคนเถอ